พระธรรมเทศนาแผ่นที่89ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่2กุมภาพันธ์2559มีชื่อเรื่องว่าอามิสบูชาหนุนปฏิบัติบูบชา วันนี้ถ้าหลวงพ่อรับนิมนต์นะหลวงพ่อคงจะไปอยู่นู่นวัดวัดดอนธาตุจังหวัดบนงานหลวงปู่เสากันตะสีโลกอบรอบทำบุญที่วัดดอนธาตุ ติหลวงพ่อเคยไปในะวัดดอนถาดเป็นอยู่กลางน้ําป็นน้ามูลแม่น้ํามู ล, มมลตรงน้ํามันแยกเป็นสองสายมันเลยเป็นดอนเป็นอยู่กลางดอนกลางน้ําเขาก็นิมนต์หลวงพ่อแต่หลวงพ่อไกลเหลือเกินไปไม่ไหวล่ะมันไม่ใช่พระน้อยพระนมล่ะตลอนตลอนไปไม่ไหวไกลเกินไปแต่เขาก็นิมนต์ แต่หลวงพ่อมีแต่ยกมือไหว้อยู่ทางนี้แนะ่ะเขารบสักกระพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาและก็เมื่อเช้าท่านหน่อยโทรมาหาพ่อน้อยบอกบอกว่าแม่ชีอยู่ที่วัดทันบัวปันวังแค่ ตายเมื่อคืนเนี่ยว่านึงสอบสืบสอบแนละ้วใเป็นยังไงทําไมวะเป็นคนไหนเคนที่ป่วยขา่ขาวคราวก่อนนะจะไหมก็ว่าหายแล้วเนี่วะ่ะทําไมไม่ได้ยินขา่ขาวข่าวว่าป่วย่ป่วยไม่ป่วยก็ตายได้ทุกข่าวตายแล้วะวันก่อนได้ยินขา่าวพระ ท่านมรณภาพที่บ้านกลางใหญ่ที่หลวงพ่อมาแสดงธรรมเมื่อวันที่ส0สพอเสร็จจากงานขององค์หลวงตาวันที่สามสแล้วก็ตอนบ่ายมาแสดงธรรมที่วัดนิโรธรังสีวัดหลวงปู่เทศบ้านบ้านเก่าของท่านบ้านหลวงปู่เทศยู่บ้านกลางใหญ่บ้านสีดานาสีดาหลวงพ่อได้มาแสดงธรรม ท่านพวดมาก30 2003, า 70, กว่าพันสามอายุเจบกว่า 72-73 สามรณภาพเป็นพระครูแต่วันนี้ก็ได้ยินเขาไม่ชีตายอีกเมื่อวานก็นโยมตายโยมบ้านตายชาวบ้านนะที่ไปบิน บ, บาบใส่บาททุกวันเป็นโยมผู้ชาย อายุประมาณแคกสิบกว่าปีมั้งเนี่ยแหละลูกหลานเนี่ยสรุปแล้วก็คือโยมก็ตายพระก็ตายไม่ชีก็ตาย <c oughs> ความตายไม่ได้เลือกใครอพะ น, นพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทตายติดติดกันเลยเมื่อวานเนเผาโยม ที่วัดเนนะมนวัดของเรานะจุดผุสนานชนันวันไหวเมื่อวา น, นวันนี้ได้ยินข่าวว่าแม่ชีตายอีกวันนี้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2559วันนี้ก็รู้สึกอากาศเย็นลงนะลูกหลานตามที่กรมอุตุ อุตุเขาประกาศว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่จะมีอากาศหนาวเข้ามาอีกแต่ตามไม่จริงวันนี้ถ้าวันที่สองถ้าหากว่าแต่งเอาได้นะหลวงพ่อว่าแต่งเอาขนาดวันนี้แหละไม่ร้อนไม่หนาวพอดีพอดีหนาวก็ไม่หนาวมากคําว่าร้อนน่ยไม่มีเย็นสบาสบายแต่เราจะ แต่งเอาได้ยังไงให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ักโลกนะีอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดนะเราเกิดมาในโลกจะให้ได้อย่างใจตัวเองทุกอย่างเป็นอยู่ที่ไหนไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าที่ไหนหเถอะอยากจะให้มันได้อย่างใจตัวเองนะละกิเลส ช, ชมละกิเลสโลภโกรธหลงใจบริสุทธิ์นั่นแหละ ใจเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดไม่กระเพื่อมเนีน่ยนะใจพอดีอะไรทุกอย่างพอดีมดุดเพราะอะไรเพราะใจของเราพอดีจิตจริงที่จะทำให้มันกระเพื่อมสกัดออกหมดแล้วมีแต่ความพอดีเนีน่ย ถ้าไม่ถ้านอกจากใจบทที่สุดแล้วนะอย่าหวังเลยมันจะพอดีมันก็เพิ่มายหนึ่งมันก็กเพิ่มายหนึ่งมองมองโลกมองได้หลายหลายแนวนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดโลกวัตะสงสารใบนี้นะเราจะไปมองมุมเดียวไม่ได้ต้องมองได้หลายมุม การเป็นอยู่ก็เหมือนกันเราจะไปต้นไม้เนี่ยเราต้องการตะแกนเท่านั้นล่ะเราไม่ต้องการตะขบพีใช่ใครๆก็ต้องการแก่นเพราะอามาใช้งานมาสร้างบ้านอามาทำเฟอร์นิเจอร์จะทำอะไรก็ตามก็ต้องการแก่นแต่ก่อนที่มันจะเป็นแกนนะั่นแหลอ วิธีการปลูกปลูกของเขานะ่าจะเป็นยังไงนี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องการความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสให้จิตใจบริสุทธิ์ให้ไม่ไม่มาเวียน่หยตายเกิดนิพพานสงสา ร, รให้ปฏิบัติบูชาให้ปฏิบัติเท่านั้นไม่ต้องยุ่งกระยังอื่นแต่มันโูดก็พูดได้ แต่ในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธนะเนี่ยท่านให้มองหลายมุมมองหลายมุมอย่างที่หลวงพ่อพูดนะ่ะอามิจบูชาก็จำเป็นปฏบิบัติบูชาก็จำเป็นแต่พระพุทธเจ้าท่านยกเลิศเลอคือปฏิบัติบูชาเลิศกว่าอามิจบูชานะีหลวงพ่อก็เคยเล่าให้พวกเราฟังแต่หลวงพ่อไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ต้องอัอามิจบูชาไม่ต้องเลย เอาแต่ปฏบิบัติบูชาเท่านั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยพูดอย่างนั้นอีกเพราะเราอยู่ในโลกวัตะสงสารท่านลูกหลานไม่ใส่บาตรให้หลวงพ่อนะไม่มากราบมาไหว้หลวงพ่อไม่มาวัดหลวงพ่อไม่ใส่บาตรหลวงพ่อไม่ดูแลหลวงพ่อไม่ถวายปัจจัยสีหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะอยู่ได้อย่างไรหลวงพ่อเป็นเป็นทุก ผู้อยู่ภายในเป็นช้างเท้าหน้าเป็นผู้นำเดินถ้าลูกหลานไม่ให้การสนับสนุนหลวงพ่อก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อก็ต้องอาศัยลูกหลานที่ว่าอามิตจบูชาดูลลูกหลานให้การสนับสนุนแต่ลูกหลานให้การสนับสนุนมีแต่บอกให้ลูกหลาน ทำบุญทาทานเท่านั้นไม่ได้สอนเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องชำระจิตใจจะทำยังไงให้จิตใจใ ห, หลุดพ้นจากอานสวะกิเลสมีแต่สอนให้ทำทานอย่างเดียวให้สูขายกขายไรขายนาขายที่สิ่งที่มันมีเนี่ยเอาเอามาให้เราทั้งหมดนะทำบุญทั้งหมดนะถ้าจะไปมองอย่างนั้นมันก็งโง่อีกเหมือนกัน เ, เพราะนั้นสิ่งเหล่านั้น อั น, นั้นคือปัจจัยเครื่องอาศัยมันก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันจากนั้นก่อนเน่สูเจ้าอย่าลุ่มหลงมัวเมานะถึงจะเลี้ยงดีขนาดนนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายอีกสักวันหนึ่งตายทั้งหมดเพราะนั้นสุ้เจ้าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ปฏบิบัติบูชานะให้เร่งภาวนานะให้ชำระใจนะ ตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมานะอันนั้นมันเพียงแต่ว่าประคับประคองให้เราอยู่ได้จากนั้นเราเหมือนกับเราขึ้นเรือขึ้นแพอย่างนั้นนะ่ะเรือแพเนะ่ยเราจะไปกอดเรือกอดแพได้เรือได้แพแล้วไม่ไปไหนมันไม่ได้นะเมื่อได้เรือได้แพขึ้นมาแล้วก็ยังไงจึงจะข้ามฝากเพราะมันฝากเน่อยู่ทางฝั่งฝากเน่เนี่ยนะ มีแต่ทุกมีแต่สัตว์ดร้ายอสราพิษมีแต่พิษตะไนัยเข้าข้ามไปดูข้ามไปสู่แดนอมะตะมหานิพพานน่นะเป็นแดนกเกษมเราจะไปส่งเสริมให้เขาอยู่ในเรือตลอดไม่ได้ในเมื่อขึ้นเรือแล้วกันก็ต้องบอกแนะนำให้เดินเรือข้ามฟากฝั่ง ไปสู่มรรคผลนิพพานนี่แหละสรุปแล้วก็คืออามิตรชบูชาก็คือเรื อ, อจากนั้นเราก็เดินพอได้เรือแล้วก็ปฏิบัติอพอไปตัดปฏิบัติไปถึงข้ามฟ า, ากฝั่งไปทางนู้นนะ่ะคือพระนิพพาน เ, เป็นแดนที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเชิดชูบูชาว่าเลิศประเสริฐในการปฏิบัติบูบชานะเพื่อพ้นทุก จะไม่มาเวียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นเลิศประเสริฐที่สุดแต่เราจะมองข้ามอามิชบูชาทีเดียวไม่ได้แต่อามิชบูชาเป็นเครื่องเกื้อกูลห น, นุนแต่บางคนสุดตรงไม่ต้องสร้างเจดีไม่ต้องช่างพระพุทธรูปหรอกเป็นเครื่องผูกพันเห็นไหมละ่ะขนาดพระพุทธรูปยังไปฝังดินเอาไปทบทิ้ง มาให้กราบไม่ให้ไหวกราบอิดกราบหินกราบปูนกราบทรายกราบเหล็กกราบทองเหลืองทองแดงมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยแหะมันโง่มันมองมองทางด้านเดียวเกินไปทองเหลืองก็จริงอยู่แต่เขาปั้นขึ้นมากระเพื่อบูชาเพื่อเปรียบเทียบว่านี่คือองค์แทนพระพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบทองเหลืองเรากราบ ก้าวกระปักขุนของพระพุทธเจ้าเวลาเรากล่าบที่ใเรานึกอหนุนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอบรมสั่งสอนเรื่องทิฏฐิคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจะทํำยังไงจึงจะพ้นทุกขเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายะจะไม่เมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวของพุทธตามแนวแถวพระธรรมคําสอนของพุทธ ตามที่พระสงฆ์สาวกที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนสาวกของพระพุทธเจ้าได้แนะนำสั่งสอนมาบอกกล่าวให้กับพวกเราสาวกกัะสังโฆจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์เราไม่ได้กาบปูนไม่ได้กาบทองเหลืองทองแดงเรากราบพระคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนจะทำยังไงที่พระคุณจุดนั้นที่ท่าน ได้เมตตาแนะนาสั่งสอนพวกเรานี่แหละถ้าพวกเรากราบแบบโง่ก็ได้ต้องโง่นะถ้ากราบแบบฉลาดก็ได้ฉลาดถ้าเราสร้างแบบโง่ก็ได้โง่ถ้าเราสร้างแบบฉลาดก็ได้ฉลาดนะได้ปัญญาได้มักได้ผลเป็นหนทางของเราที่จะเดินสู่มักผลนิพพานได้กลนเราเนี่ยก่อนที่จะเกิด อาจารยรักรัทธาคือศรัทธาเบื้องต้นบางทนมันเกิดต่างกันนะบางคนก็ได้เห็นพระพุทธรูปเห็นพระเจดีย์บางคนก็อยู่เมืองไทยก็เฉยก็ไม่มีอะไรพอไปเห็นสังวเวชในเดชะานอินเดียพอไปกราบเท่านั้นก็โอ้พระพุทธเจ้าเนะี่ยมีจริงน้ำตาหลัง่งน้ำตาไหลร้องหม่มร้องไห้เกิดสัทธา อย่างแรงกล้าก็ฝังในใจิตในใจของแต่ละคนมันมีได้ทั้งนั้นแหละเอ่อเอ่อมิใช่ว่ามันจะเกิดศรัทธาอย่างอย่างที่เราต้องการเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้มองหลาย ม, มุมมองหลายแนวทางจะทํำยังไงจึงจะเกิดศรัทธาให้คู่คนถึงก้าวเดินออกจากจุดกิเลสราคะโทสะโมหะจนถึงมรรคผลนิพพานได้ แต่สรุปแล้วก็คือต้องยกเชิดชูบูชาว่าปฏิบัติบูบบชาเนี่ยเลิอดกว่าเราไม่ได้เ ร, ไไดเราไม่ได้เชิดชูบูชาว่าอาหมิดฉบูชาในเลือดกว่าไม่ใช่นะพวกเราได้ยินยิงมาที่ไรหลุงพ่อนี่แต่ปฏิบัติบูชานะลูกหลานนะอย่างที่ลุงพ่อได้พูดเน่ยพระสงฆ์ในครั้งพปศุภะเมื่อพระองค์ประส่วนพระสงฆ์ก็มาลงมาตุ้มแต่องค์หนึ่งเปลกตัวหลกไปภาวนา พระสงฆ์ก็นํามาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้น่ออทั้งที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานอยู่แล้วก็หลบปลีกปีกตัวนะ่ะพระพุทธองค์ก็เรียกมาเพอพระสงฆ์ไปฟ้องนะเรียกมาก็ถามทําไมเธอจึงไม่มาช่วยหมู่พวกเพื่อนทั้งที่เราจะปรินิพานอยู่แล้วนะพระองค์นั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่า ข้าพระองค์ทราบรู้ว่าพระองค์จะปรินิพานแต่ข้าพระองค์ยังมีกิเลสอยู่กิเลสอยู่ในหัวใจข้าพระองค์มีอยู่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จะชําระกิเลสให้หมดกิเลสก่อนพระพุทธองค์ปรินิพานถ้ามีปัญหาในจิตใจข้าพระองค์จะเข้ามากราบทูลถามในขณะที่พระองค์ยังสงพระชนอยู่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงหลีกออกจากหมู่ไปเล่นภาวนาเล่งความภาคเพียรปฏิบัติ พระพุทธองค์บมื่อวานี่แหละควรจะเป็นตัวอย่างพระองค์นี่แหละนี่ว่าปฏบิบัติบูชาเราตถาคตเรายกย่องเชิดชูว่าการปรฏบิบัติบูชานั้นเลิศกว่าอามิชฌาบูชาเนะ่ยจังที่พระพุทธเจ้าจะตำหนินะพระพุทธเจ้ายกย่องเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงท่านจะยกย่องปฏบิบัติบูชาก็จริง แต่พระทั้งหมดไม่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าล่ะหนีไปหมดล่ะมันถูกต้องไหมก็ไม่น่าจะถูกต้องอีกเหมือนกันเพราพระพุทธเจ้ายกย่องว่าอปฏิบัติปูชาพวกเราไม่ต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านจะหิวก็หายยังไงเราไม่ต้องเข้ามาใกล้ให้พระพุทธเจ้าอยู่ตามลาพังเราไปภาวนาของใครของเรามันถูกไหมมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันค่าอะไรมันจุดตง ง่อีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันสถานการณ์อย่างนี้เราควรปฏิบัติอย่างไรการรักเทะการสถานที่บุคคลเพราะนั้นหลวงพ่อมีจะแนะนำบอกกล่าวให้พวกเรามองได้หลายแนวได้หลายแนวทางในลในหลายแนวความคิดแต่จะให้ความคิดนั้นมามัดคอตัวเองนะบานนีคิดมากๆเข้าไปวิตกกังวลไม่ใช่เราต้องแยกแยะให้ออกต้องใช้ปัญญานะถ้าคนมีปัญญานะ อะไรมันไม่สุดโตง่งทั้งนั้นละ่ะไม่หัวชนฝาพูดง่ายๆแล้วก็ไม่ลืมตัวอีกต่างหากถ้าคนมีปัญญาไม่ลืมตัวข้าอยู่ในสถานะไหนอยู่ในขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เนื่องจากเมื่อเป็นอาจารย์ก็ไม่ลืมตัวในเมื่อเป็นลูกศิษย์ก็ไม่ลืมตัวในเมื่อเป็นญาติเป็นโยมก็ไม่ลืมตัวในมาอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ก็ไม่ลืมตัวเมื่ออยู่ห่างครูบาอาจารย์ก็ไม่ลืมตั ว, ม อ, อาา ม, ม, ตวมองตัวข้านี่คือใคร เอออีกสักวั น, นข้าจะต้องตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นนะข้านะนี่แหละถ้าอยู่ในสถานที่ใดไม่ลืมตัวนันดีทั้งนั้นล่ะลูกหลานนะให้มองตัวให้มองเจ้าของอย่าลืมเจ้าของเราอยู่ในสะถะานณ์นอยนะรับพอในจีนี้นะ